ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วมีคุณสมบัติอยู่สองประการด้วยกันคือหนึ่งนิบบานังปรมังสุขขังสองนิบบานังปรมังสุญญอย่างคือสุขมีความสุขอย่างมากมีความสุขเต็มร้อย มีความสุขตลอดเวลาไม่มีเวลาใดในจิตที่จะมีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเรียกว่านิพพานังบรมังสุขขังสองจิตนี้จะว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ว่างจากราบยศสรรเสริญว่างจาก รูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐะว่างจากขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างจากธรรมารมณ์ทั้งหลายจิตนี้จะไม่มีวันที่จะไปเกี่ยวข้องหรือไปเสพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ยังมี การสัมผัสอยู่เช่นร่างกายนี้ยังไม่ตายก็ยังมีการสัมผัสลาบยศสรรเสริญสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ยังสัมผัสกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังสัมผัสกับธรรมอารมณ์ต่างๆอยู่เพียงแต่ว่าการสัมผัสนี้จะเป็นเหมือนกับหยดน้าบนใบบัว คือใบบัวนี้จะไม่ดูดซึมน้าที่หยดไว้บนใบบัวต่างฝ่ายต่างจะอยู่แยกกันหยดน้ำก็ยังเป็นหยดน้ำอยู่ใบบัวก็ยังเป็นใบบัวอยู่ไม่เปียกเพราะหยดน้ำไม่เหมือนกับจิตของปุถุชนจิตของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพาน จะเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึมเวลาหยดน้ำลงไปก็ในกระดาษซับกระดาษซึมกระดาษมันจะซับซึมเอาน้ำเข้าไปหมดฉันใดจิตของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานก็ยังจะเสพรูบ ล, ลาบยศสรเสริญเสเรูปเสียงกิ่นลดทุตะเสเพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เสพรรมารมณ์ต่างๆเยอะเสพด้วยอะไรเสพด้วยความโลภความโกรธความหลงเสพด้วยโมหะอวิชชาเสพด้วยตัณหาความอยากต่างๆเสพด้วยกามตัณหาเสพด้วยภาวะตัณหาและเสพด้วยวิภวะตัณหาแต่สําหรับจิตที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วนี้ จะปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากโมหะอวิชชาปราศจากตัณหากามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยตัวที่ทำให้น้ำกับกระดาษมันดูดกันก็คือตัวลาบตัวโลภโกรธหลงตัวกิเลสตัณหาตัวโมหะอวิชชานี่ยด่าดา แต่ถ้าจิตได้รับการชำระได้รับการกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะว่างใจจะไม่เสกถึงแม้จะสัมผัสรับ ร, บรู้แต่จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้มารับรู้ได้สัมผัส จะเป็นแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสแต่จะไม่มีความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่ได้เสพได้สัมผัสเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสจิตก็จะว่างจะเฉยๆจะไม่ได้คิดถึง ลาบยุศสละเสริญจะไม่ได้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะจะไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งหลายทั้งปวงจิตจะอยู่กับความว่างเพราะว่าความว่างนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่เป็นบารมม์มุขนี้ก็คือความว่างนี้เองท่านจึงทรงแสดงไว้ว่านิ b b านังป a l มัง n ุ s u n y a n g nibbanaṅ p a มังสุข s u n g จิตที่ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งนี่คือคุณสมบัติของพระนิพพานแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้จะแปลความหมายของนิพพานังปรมังสูญอย่างผิดไปได้เช่นบางคนก็แปลไปว่าพระนิพพานก็คือความสูญสูญทุกสิ่งทุกอย่าง จิตก็ศูญจิตมันจะไม่ศูนย์จิตมันไม่มีวันศูญไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตมันศูนย์ได้จิตของพวกเรานี้ก็ไม่มีวันศูญเพียงแต่ว่าจิตของพวกเราที่เป็นปุถุชนนี้ยังมีโลภโกรธหลงยังมีตัณหาความอยากต่างๆอยู่มันจึงไปเสพ ร, ราบยศสรรเสริญไปเสพเลื่อมเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะไปเสพ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเสพธรรมอารมณ์ต่างๆมันจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายแต่จิตของผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วเป็นจิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆโมหะอวิชชา จึงไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่เสพ ร, ราบยศสรรเสริญไม่เสเพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เสพธรรมอารมณ์ต่างๆแต่ยังสัมผัส ร, รับรู้อยู่รู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่มีความยินดียินร้ายกับสิ่งได้ได้สัมผัส ร, รับรู้เวลา ได้เห็นก็ไม่ได้ดีใจเวลาไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เสียใจนี่คือคำว่าปรมังศูนย์อย่างศูนย์จากการไปเสกใจไม่คิดถึงไม่ใฝ่หาไม่สนใจไม่ใยดีกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แต่ใจหรือจิตนี้ไม่มีวันสูญจิตนี้มีอยู่สองประเภทคือจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกับจิตที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่จิตทั้งสองจิตนี้ไม่ได้สูญจิตได้ถึงพระนิพพานก็ยังมีอยู่เพียงแต่จิตนี้ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วจึงมีแต่ปรมังสุขขัง เพราะการเกิดแต่ละครั้งนี้ยจะต้องไปสัมผัสกับความทุกข์ต่างๆทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายทุกที่เกิดจากการพัดผ้าจากสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆนี่คือเรื่องของจิตที่เรียกว่าปรามังสูญยังอย่าไปกลัวว่าถ้าเราปฏิบัติไปถึงพระนิพพานแล้วเราจะสูญไป เราไม่มีวันศูนย์ผู้รู้นี้ไม่มีวันศูนย์สิ่งที่ศูนย์ก็คือความทุกข์ต่างๆสิ่งที่ศูนย์ก็คือความโลภความโกรธความหลงโมหะอวิชชากาะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาสิ่งเหล่านี้จะศูนย์หายไปจากใจหมดเมื่อมันศูนย์หายไปก็เลยทำให้ใจนี้มีแต่บรล ม, มสุข ประมังสุขขังถ้าจิตนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดเช่นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วเราก็ต้องเอาไปซักเวลาที่เราซักเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดเสื้อผ้าหลังจากได้รั บ, รบการซักพอกเสื้อผ้าก็จะสะอาดแต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่ แต่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดฉันใดใจที่ยังมีความโลภโกรธหลงมีความอยากต่างๆอยู่ถ้าได้รับการกําจัดด้วยการปฏิบัติด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนาที่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจถ้าซักฟอกไปจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ได้จิตใจจะหายไปไหน จิตใจก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ได้รับการซักพอกเมื่อรับการซักพอกแล้วเสื้อผ้าก็สะอาดเสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนจิตใจที่ได้รับการซักพอกก็ไม่ได้หายไปไหนจิตใจสะอาดปราศจากคราบสกปรกต่างๆคราบสกปรกของจิตใจก็คือโลภะโมหะโลภะโทสะโมหะ กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาโมหะอาวิชานี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมากำจัดกันสิ่งสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อที่จะมาสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้ว จิตใจก็จะเป็นนิพพานจะบรรลุถึงนิพพานจิตใจจะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ก็จะไม่มีตัวที่จะดึงจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ดึงจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามวตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาโลภะโมหะอวิช โลภะโทสะโมหะอวิชชานี่คือตัวที่จะฉุดร่างจิตใจให้ไปเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้าได้รับการถ้าจิตได้รับการชำระได้รับการกำจัดโลภะโทสะโมหะการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอวิชชาให้หมดไปจากจิตจากใจแล้ว จิตใจก็จะไม่ไปเกิดเพราะไม่มีเชื้อพาไปเหมือนกับรถยนต์ที่เมื่อ น, น้ํามันหมดแล้วก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ต่อไปถ้าไม่อยากให้รถวิ่งนี้ก็ลองถ่ายน้ํามันออกให้หมดถ่ายน้ํามันที่มีอยู่ในถังออกไปให้หมดไม่ว่าใครจะมาขับก็จะไม่สามารถขับรถยนต์คันนี้ให้ไปไหนมาไหนได้เพราะไม่มีน้ํามัน แตนายนจิตใจถ้าไม่มีน้ำมันของพบชาติคือกิเลสตัณหาความรูปความโกรธความหลงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นใจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจิตใจก็จะไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิปาน ยังมาเป็นที่มาของคําว่านิบานังปรมังสุ ข, ขังนิบานังปรมังสุญญ์อย่างจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จะมีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีเวลาใดเลยที่จะมีความทุกข์จิตที่มีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าจิตไม่มีอะไรภายในใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากราบยศเสรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสคือไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาความอยากที่จะไปเสพลาบยศสรรเสริญไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑไปเสพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเสพธรรมอารมณ์ต่างๆนี่คือความว่างของจิตว่างจากสิ่งเหล่านี้ถ้าได้เสพได้เวลาถ้าได้สัมผัสรับรู้ เพราะว่าถ้ายังมีร่างกายยังมีขันอยู่ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่ <_ S 1> ก็<อ>กจะเป็นการสัมผัสเฉยๆรับรู้เฉยๆเหมือนกับหยดน้ําบนใบบวัวน้ํากับใบบัวนี้จะสัมผัสกันน้ํามันจะกลิ้งไปกลิ้งมาบนใบบวัวมันจะไม่ถูกใบบัวนี้ดูดซึมเข้าไปเพราะใบบัวนี้ไม่มี ตัวที่จะฉุดที่จะดูดนั่นเองจิตใจของจิตที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่มีตัวดูดสิ่งต่างๆให้เข้ามาอยู่ในใจตัวดูดก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากได้อะไรต่างๆอันนี้จะเป็นตัวที่จะทําให้จิตไม่ว่างจากราบยศสระเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ตื่นขึ้นมานี้ก็จะดูดตื่นขึ้นมาก็จะคิดถึงลาบยศสรรเสริญวันนี้จะไปหาเงินที่ไหนวันนี้จะไปเอาตําแหน่งที่ไหนวันนี้จะไปดับการสรรเสริญเยินยอจากที่ไหนวันนี้จะไปเสบรูปเสียงกิริย์ลดแบบไหนที่ไหนดีวันนี้จะเสบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้จะเสดธรรมอารมณ์ต่างๆ จิตมันจะฝ่ายคว้าหาสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของโมหะอวิชชาที่จะทำให้เกิดความโลภความอยากได้ต่างๆปรากฏขึ้นมาตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทาให้จิตไม่ว่างเหินขึ้นมานี้จิตก็จะคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดหานุน่นหานี่เพราะจิตไม่มีความสุขภายในตัวเอง จิตไม่มีความอิ่มในตัวเองก็เลยต้องออกไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสลรเสรนเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี่คือเรื่องของจิตที่มีอยู่สองประเภทจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นี้เป็นจิตประเภทหนึ่งจิตของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพาน ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลขั้นอื่นก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่พระสสดาบันก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่พระสกิดาคามีพระอนาคามีก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่แต่มีปริมาณหรือจำนวนน้อยตามลำดับของธรรมที่ได้ปฏิบัติ เช่นพระโสดาบันนี้จะมีกิเลสน้อยกว่าปุถุชนธรรมดาแล้วก็พระสกิดาคามีก็จะมีกิเลสน้อยกว่าพระโสดามันพระอนาคามีก็จะมีกิเลสน้อยกว่าพระพระสกิดาคามีและพระอาหารหันต์ก็จะมีกิเลสน้อยกว่าคือไม่มีเลย อันนี้เป็นขั้นสูงสุดการปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติให้ไปถึงขั้นสูงสุดเหมือนกับการซักเสื้อผ้าเราก็ต้องซักให้มันสะอาดบริสุทธิ์การที่ได้เข้าสู่ขั้นของพระอริยะเจ้าแล้วนี้มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือการชำระกิเลสตัณหานี้มันจะทำไปต่ออย่างต่อเนื่อง จะไม่หยุดไม่หย่อนตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจอยู่ถ้าได้เป็นถึงพระอริยะคือตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วจิตนี้จะมีแต่การชำละไปเรื่อยๆท่านถึงได้พยากรณ์หรือกำหนดไว้ว่าผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะบรรลุถึงพระนิพพาน ภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าการชําระของแต่ละคนนี้มีความสามารถแตกต่างกันบางคนมีความรู้ความสามารถมีสติมีปัญญามากมีกิเลสน้อยการที่จะชําระให้เสร็จได้อย่างง่ายดายและรวดเล็วก็จะมีมากกว่าคนที่มี ส, สติปัญญาเทืกมีกิเลสหนาะ แต่ไม่ว่าจะมีปัญญาฉลาดหรือไม่ฉลาดมีกิเลสหนาหรือไม่หรือไม่หนาถ้าลองได้เข้าสู่ขั้นพระโสดาบันแล้วนี้จะได้บรรลุถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอนทุกๆุกคนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นบางคนก็สามารถทำให้บรรลุได้ภายในชาติเดียว เพ็นพอได้บรรลุพระโสดาบันก็ปฏิบัติต่อไปพอปฏิบัติต่อไปก็ได้ขึ้นไปสู่ขั้นสากีดาคามีพอปฏิบัติต่อไปอีกก็จะถึงขั้นพระอน า, าคามีและพอปฏิบัติต่อไปอีกก็จะถึงขั้นพระอาหารหันต์ตามลำดับอยู่ที่การปฏิบัติเป็นหลักอยู่ที่ความเพียรเป็นหลัก บ, บางคนพอได้ขั้นโสดาบันแล้วก็พอใจก็ไม่ไขวนขวาย ติดอยู่กับขั้นโสดาบันไปก่อนจนกว่าจะมีตัวมากระตุ้นก็คือความทุกข์ใจเช่นความสูญเสียบุคคลที่ตนรักไปก็จะทำให้กระตุ้นหาวิธีที่จะไม่ให้ไปติดกับคนที่รักก็จะต้องมีการเจริญธรรมที่เรียกว่าอาสุภะเวลาเห็นคนที่รักที่ชอบ ก็ต้องดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายของเขาเพอเห็นว่าร่างกายของเขาไม่สวยไม่งามไม่น่ารักก็จะถอนความรักในบุคคลนั้นได้ก็จะไม่ติดอยู่กับการเสพการก็จะเลื่อนขึ้นจากขั้นโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นอนนาคามี พอไปถึงขั้นอนาคามีก็ไปติดอยู่กับความสุขทางธรรมอารมณ์ความสุขที่อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าธรรมอารมณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเหมือนกับร่างกายพอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอนิจจงเห็นว่าเป็นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติดไปชอบไปอยากเสพอยากสัมผัสก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางรรอารมณ์ต่างๆได้จิตก็จะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ท่านสโสดาบานันนี้ท่านก็ไม่ยึดไม่ติดกับลาบยศสารเสญกับรูปเสียงกลิ่นรสปทภะท่านก็ยัง ไม่ยึดติดกับร่างกาย ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ท่านยังหลงยังยึดติดอยู่กับการอารมณ์การมาราคะยังมีความคล่ความยินดีกับการเสพการอารมณ์อยู่แล้วพอได้พิจารณาอสุภะก็จะทำให้การอยากจะเสพการอารมณ์นั้นหมดไป ก็เลยไปเสพธรรมอารมณ์แทนพอไม่มีการอารมณ์ก็เลยไปเสพธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือความสงบต่างๆที่มีอยู่ในใจความสุขที่เกิดจากความสงบในระดับของฌานต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปควบคุมบังคับได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจา เป็นทุกข์เพราะว่าไปอยากให้มันเที่ยงไปอยากให้มันอยู่ไปตลอดพอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางไม่เสพธรรมอารมณ์ต่างๆไม่เสพธรรมอารมณ์จิตก็หลุดพ้นจิตก็ะสะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยเป็นพระนิพพานขึ้นมานี่คือเรื่องของจิตที่นิพพาน ไม่ได้สูญหายไปไหนจิตของพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชาที่เราลำลึกถึงในวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมานี้จิตของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายที่จะมาติดต่อกับพวกเราเท่า น, นั้นเองเพราะท่านเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นการสร้างความทุกข์เป็นเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุข กาไม่มีอะไรต่างหากที่เรียกว่าเป็นความสุขใจต้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรกับอะไรไม่มีอะไรกับดาบยศสารเสริญไม่มีอะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีอะไรกับขันท่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรกับธรรมอารมณ์อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจไม่ยึดไม่ติดไม่เสก ไม่ยินดีไม่สนใจนี่คือจิตที่ได้หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากอำนาจของกามตัญหาภาวะัญหาและวิภาวะัญหาหลุดพ้นด้วยอะไรก็หลุดพ้นด้วยทานสีงภาวนานี้เองทานสีงภาวนานี้เป็นเครื่องมือ ที่จะซักพ่อจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือที่จะทําให้จิตนี้หลุดพ้นจากอํานาจของความโลภความโกรธ ค, ความหลงของความอยากต่างๆคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าไม่เจริญทานศีลภาวนาจิตจะไม่สามารถหลุดพ้น จากอานาจของกิเลสตัณหาต่างๆได้เลยจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความไม่มีอะไรความเข้าสู่ความสุขที่ถาวลตลอดเวลาต้องอาศัยทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือส่งให้จิตได้หลุดออกจากอานาจของกิเลสตัณหาต่างๆ เหมือนกับยาณอาวกาศที่จะส่งออกไปสู่โลกนี้จะต้องมีจรวดที่มีพลังมากจรวดที่สามารถขับเคลื่อนส่งยานอาวกาศให้ขึ้นสู่อวกาศให้อยู่พ้นลัษมีของการดึงดูดของโลกถ้าจรวดไม่มีกำลังพอที่จะส่งยานอาวกาศให้พ้นลัษมีของการดึงดูดของโลก เจลวดยานอวกาศนั้นก็จะต้องตกกลับลงมาบนโลกฉังนั้นใดจิตที่จะว่างจิตที่จะมีบามบารมมสุขนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยเจลวดของทานศีลภาวนาเราต้องสร้างเจลวดนี้คือทานศีลภาวนาเพื่อที่จะได้ส่งจิตให้หลุดออกจากการดึงดูด ของความโลภความโกรธความหลงของกามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาเพราะถ้าทานศีลภาวนามีกําลังไม่มากพอก็จะไม่สามารถส่งให้จิตนี้หลุดออกจากรัศมีของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆได้ก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเลโลกของการ โลกที่จิตถูกติดอยู่นี้ก็คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของตายพบ ก, กามาพบรูปพบและอรูปพบกามาพบก็คือที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์เดราชฉานของเทวดาของเปรตของของอสุรกายของนรกของสัตว์นรกเพราะว่าจิต พวกนี้ยังเสพกามกันอยู่เท่งเรียกว่าการมาพบเทวดาก็เสพรูปเสียงกลิ่นน้นแต่เป็นรูปเสียงกลิ่นร้ที่ละเอียดที่เราเรียกว่ารูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเนพวกพวกเบสพวกอะไรก็เสพแต่ไม่มีอํานาจไม่มีบุญที่จะได้เสพเพราะไปทําบาปเลยต้องไปเสพไฟนรกแทนไปเสพความหิวความโหยแทนไปเสพความทุกข์แทน พระไปทำบาปไว้ถึงแม่อยากจะเสพก็ไม่มีให้เสพเหมือนขอทานขอทานก็อยากจะมีความสุขเหมือนเศรษฐีเพียงแต่ว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสพแทนที่จะมีความสุขจากการได้เสพแบบเศรษฐีก็ต้องเสพแบบขอทานแต่ก็ยังมีความอยากเสพเหมือนกัน ไม่ว่าขอทานหรือเศรษฐีก็ยังมีความอยากที่จะเสพกามเหมือนกันจิตที่ยังมีความอยากในการเสพกามนี้ก็จะติดอยู่ในกามะพภนีกามะพภนี้ก็แบ่งไว้สองระดับระดับที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์และระดับที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขระดับที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็เรียกว่าสุขคติหรือสวรรค์ชั้นต่างๆหรือ หรือพบของมนุษย์นี้ถือว่าอยู่ในสุกคติส่วนทุกขติหรืออบายนี่ก็เป็นพบที่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขอันนั้นก็เป็นพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกที่ติดอยู่ก็เพราะอํานาจของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในกามนั่นเองผู้ที่เกิดในกามมาพบก็คือพวกที่ยังไม่ได ชำระการารมณ์การกามตัณหาให้หมดไปจากใจพวกที่สามารถชำระการอารมณ์ให้หมดไปหรือกําจัดหรือหรือกดเอาไว้ก็จะไม่ต้องมาเกิดเช่นพวกที่ได้ไปเกิดในรูปพะพบกับอรูปะพบพวกที่ไปเกิดรูปะพบก็คือพวกที่ได้รูปฌานพวกที่ปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่และสามารถ ทำจิตให้สงบด้วยรูปฌปานอยู่ในฌาน4ขั้นด้วยกันรูปฌปานขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่สาขั้นที่4ถ้าได้ถ้าได้บรรลุถึงฌานต่างๆเหล่านี้เวลาตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบเพราะว่าไม่มีความยินดีที่จะเสกกามไม่มีความยินดีที่จะเสกรูปเสียงกลิ่นลดมีความยินดีที่จะเสก รูปฌานท่านต่างๆก็จะไปเกิดไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมในรูปประพรมแล้วถ้าผู้ที่บรรลุ ถ, ถึงอรูปฌานสามารถเข้าสู่อรูปฌานได้จิตก็จะไปอยู่ในอรูปภพที่เราเรียกว่าตายภพนี้ก็คือสารภพนี้กามภพรูปภพอรูปภพสาม สามภพนี้แปลว่าตายตายภพตายโลกกับธาตุที่ท่านพูดว่าตายโลกกัธาตุก็หมายถึงภพทั้งสามนี้แต่ภพทั้งสามนี้ก็เป็นภพที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรเมื่อได้แล้วก็จะต้องเสื่อมลงมาไม่ว่าจะเป็นภพที่สูงหรือต่ําก็ตามเมื่อไปได้อรูปภพแล้วต่อไปก็เสื่อมลงมาเป็นรูปภพจากรูปภพก็เสื่มลงมาสู่กามภพ มาเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์พวกที่ไปตกนรกพวกที่ไปเป็นเดราาัจฉานเมื่อหมดเมื่อหมดบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็ยังต้องเวียนว่าตายเกิดขึ้นขึ้นลงลงอยู่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบุญไปเรื่อยๆก็จะได้ไปเกิดในขั้นของเทวดา ถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ไปสู่ขั้นรูปะพบกับอรูปะพบแต่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีตัณหาความอยากที่จะเสพความสุขเหล่านี้อยู่ยังอยากจะเสพความสุขทางก า, มารมรลมอยู่ยังมีความอยากที่จะเสพความสงบอยู่ก็ยังจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้จะต้องไม่มีความอยากที่จะเสพอะไรทั้งนั้นไม่มีกามาตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาจึงจะสามารถที่จะหลุดออกจากใจโลกกระพบายโลกกระทา น, นี้ได้หลุดออกจากตจพหลุดออกจากวัฏสงสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ต้องใช้ทำขั้นวิปัสสนาทำขั้นสมถะนี้ยังทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในใตยภพอยู่แต่จะไปเกิดในภ พ, พที่สูงคือรู ป, ประภพกับอรู ป, ประภพผู้ที่ได้สมถะภาวนาแต่ยังต้องกลับมาเกิดกลับมาเป็นมนุษย์แลกลับมามาปฏิบัติธรรมใหม่ก็จะขึ้นลงอย่างนี้ไป ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปติดไปยินดีว่าเป็นตายรักถ้ายินดีกับรูปประชานก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายรักเป็นทุกข์ถ้ายังดียินดีกับอารูปประชานก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักอันนี้จังทุกครังอนัตตามันยังทําให้เกิดอยู่ ถ้ายังมีความโลภอยู่ยังจะต้องกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจจะตัดความโลภความอยากหมดไปได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเรายินดีอะไรปั๊บเหมาะให้รู้ทันทีว่าเรากำลังสร้างภพสร้างชาเพราะว่าสิ่งที่เรายินดีนี้จะทาให้เราต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อย พอเราตายจากชาตินี้ไปพอเร า, เาไปใช้บุญใชบ้บาปหมดแล้วเราก็จะกลับมาหาหมันใหม่ถ้าชอบสู k, บสบุหรี่ก็จะกลับมาสูบบุหรี่ถ้าชอบดื่มเหล้าก็จะกลับมาดื่มเหล้าถ้าชอบเล่นการพนันก็จะกลับมาเล่นการพนันถ้าชอบหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายก็จะกลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายถ้าชอบ นั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะกลับมานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าอย่าไปชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าไปชอบอย่าไปอยากอยาก่าอย่าไปมีความรู้สึกยินดียินร้ายกับเขาต้องปล่อยวางต้องตัดไปให้หมดต้องละให้ได้ให้หมดถ้าละให้ได้หมดแล้วจิตก็จะว่าง จากทุกสิ่งทุกอย่างวางจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากตัณหาความอยากต่างๆวางจากรูปเสียงกลิ่นนสว่างจากลาภยศสรรเสริญวางจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวางจากธรรมอารมณ์ต่างๆใจก็จะเป็นปรมังสุญอย่างขึ้นมาเป็นปรมังสุขขังขึ้นมามีความสุขตลอดเวลาน ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่ได้จากความว่างนี้เองเพราะว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนี้มันไม่เที่ยงแน่มันไม่เทียเท่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเวลาสูญเสียไปความสุขที่ได้มาจากสิ่งนั้นก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์เช่นถ้าเรามีความสุขกับภรรยาหรือสามีหรือกับลูก เวลาภรรยาหรือสามีหรือลูกจากเราไปความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่อันนี้เพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งข้างหน้านี้เราจะต้องสูญเสียสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียบุตรสูญเสียทิดาไป เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายอันนี้จึงทําให้จิตนี้ยังต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆอยู่เพราะไม่มีปัญญาเพราะมองไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่เที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้เราไม่รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอด ต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เขาจะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปพอเราต้องมีการจากกันความสุขที่ได้จากกันและกันก็จะหายไปสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ผู้ที่ต้องการที่จะทำให้จิตให้ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปติดไปยินดียินร้ายว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้เสพสิ่งต่างๆให้เสพความว่างให้เสพความสงบเวลาจิตสงบนี้จิตก็จะว่างความสงบนี้ก็มีสองระดับด้วยกันความว่างก็มีสองระดับในช่วงที่เราปฏิบัติคือความสงบห้ือความว่างชั่วคราวเช่นในขณะที่เราเข้าสมาธิําใจให้สงบใจก็จะว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสว่างจาก ราบยศสรรเสริญว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากความอยากต่างๆว่างจากโมหะอาวิชชาแต่เป็นความว่างชั่วคราวว่างในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความว่างนั้นก็จะหายไปเพราะกิเลสตัณหาก็จะพื้นขึ้นมาความยินดีในราบยศสรรเสริญ ความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาถ้าต้องการที่จะกําจัดหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเพื่อทำให้เป็นความว่างที่สาวที่ถาวรก็ต้องใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดความอยากหยุดความโลภได้ ทำลายความอยากทำลายความโลภได้พอทำลายความอยากความโลภได้ใจก็จะว่างว่างจากความโลภความอยากว่างจากสิ่งที่ไปโลภไปอยากคือราบยศจละเสริญนูบเสียงกลิ่นรตธรรมารมณ์หรือรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาต้องทำลายด้วยปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นว่าเป็นตายลังต้องเห็นว่าเป็นอสุภะถ้าไป หลงกับรูปที่สวยที่งามไปเกิดความยินดีเกิดความค่ากับรูปร่างหน้าตาที่สวยที่งามก็ต้องดูตอนที่รูปร่างหน้าตานี้มันเปลี่ยนไปเพราะรูปร่างหน้าตาของคนทุกคนนี้มันไม่สวยไม่น่าดูไปตลอดมันจะต้องมีเวลาที่มันแก่ลงไปหนังเหี่ยวลงผมหงอกหลังค่อมแล้วเวลาที่มันตายขึ้นอืด หรือเวลาที่มันเปื่อยผุพังไปนต้องดูอสุภะถึงจะทําให้คลายการอาลมความอยากที่จะเสพร่างกายของผู้อื่นนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะทําให้ความว่างนี้เป็นความว่างที่ถาวรความว่างที่ได้จากสมาธินี้เป็นความว่างชั่วคราวเหมือนกับที่เราเอาหินทับหญ้าไว้ เวลาเห็นทับญ้าหญ้ามันก็จะไม่งอกงามขึ้นมาแต่มันไม่ตายก็ยกหินออกไปสักพักหนึ่งหญ้ามันก็จะงอกขึ้ น, น, นมาใหม่ถ้าต้องการให้หญ้านี้ไม่ไม่โตไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยก็ต้องถอนรากมันถอนรากของหญ้าออกมาถ้าถอนรากออกของหญ้าขึ้นมาแล้วต้นหญ้านั้นก็จะตายอย่างถาวอน กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็มีรากรากของกิเลสตัณหาก็คือความหลงโมหะอาวิชชาที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ไปโลภไปอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดต้องใช้ไตรักษ์ต้องใช้อสุภถึงจะสามารถหยุด ตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถึงจะสามารถทำใจให้ว่างได้ตลอดเวลาตลอดยีสิบี่ชั่วโมงตลอดอนันตการเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายใจของท่านว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ กำจัดโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่ทำให้จิตไปไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเข้ามาให้ความทุกข์กับจิตต่อไปจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพของเขาเขาจะดีเขาจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเกิดเขาจะดับก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของจิตที่จะไปวุ่นวายด้วยวุ่นวายทาไม ได้ประโยชน์อะไรจากความวุ่นวายนอกจากความทุกข์ความเสียอกเสียใจนี่คือปัญญาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้พบค้นพบแล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเรานี้เป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างใหญ่หลวงบุญคุณของพระพุทธเจ้านี้ใหญ่หลวงกว่าบุญคุณของพ่อของแม่ พ่อแม่นี้ให้เรามีร่างกายนี้แต่พ่อแม่ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกได้แต่พระพุทธเจ้านี้สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกได้สามารถให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นโชคเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดได้มาเจอกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนแล้วพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้ว่าวิธีการที่จะทําให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะทําได้อย่างไรแต่ตอนนี้พวกเราโชคดีเราได้มาเจอคําสอนเจอวิธีที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติ ทานศีลภาวนานี้เองพวกเราขอให้เราถ้าเราปรารถนานิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปลมังสุขขังเราก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเราไม่ปฏิบัติทานศีลภาวนาจิตของเราจะไม่มีวันที่จะเป็นนิพพานังนิพพานังปลมั ง, ง, งสุขขังนิพพานังปลมังสุญญังได้เลยเหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกที่เราต้องการให้มันสะอาดนี้ ถ้าเราไม่เอาไปซักพอกด้วยน้ําด้วยผง support, ซักพอกเสื้อผ้ามันจะไม่มีวันที่จะสะอาดได้วันมันทิ้งไว้เฉยๆมันก็มีแต่จะเหม็นใช้มันไปยิ่งยิ่งใช้มันก็ยิ่งเหม็นไปให่จันนายจิตใจของเราถ้าไม่มีการซักพอกด้วยทานศีลภาวนามีแต่การสะสมความโลภความโกรธความหลงสะสมตัณหาความอยากมันก็จะยิ่งสศกโศกขึ้นไปไเรื่อยๆ แล้วมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นให้แก่ผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของจิตนั้นเพราะมันจะต้องไปรับผลของความเหม็นของจิตก็คือไปเกิดในอบายเพราะยิ่งมีความโลภความอยากมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทําบาปทำกรรมก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พยายามศึกษาวิธีการเจริญทานศีลภาวนาว่าเจริญอย่างไรบำเพ็ญอย่างไรแล้วขอพยะขอให้พยายามปฏิบัติไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนถึงพยายามซักพอ อ, อใจของเราอยู่เรื่อยๆด้วยทานศีลภาวนานี้แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับคำว่านิดบานังปรมังสุขขังนิดบานังปรมังสุญญงอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิอิทีิตังปฏที่ตังตุมหงังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีฤทธานิจังวุฒาปจายโน ญาตารวธรรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลาลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้ว ก็จะขออนุญาต ย, ยุติการถามตอบ ถ, ถ้าถามเดี๋ยวหยิบไมโครโฟนถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรช่วยตอบช่วยถามคำถามที่ส่งมาจากทางบ้านคำถามจากทางบ้านจากคุณอาร์ตครับสมัยนี้คนชอบพูดแบบนี้คนดีที่ไหนเข้าผับ แล้วก็มีคนตอบว่าคนเลวเดินเข้าวัดก็มีถมไปเอาอะไรมาวัดว่าดีหรือเลวกระผมอยากให้หลวงพ่อให้ทัศนคติที่ถูกต้องกับคนที่เขาคิดแบบนี้ด้วยครับคือคนเรานี่ส่วนใหญ่ก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปบางวันถ้ามีอารมณ์ดีก็ไปวัดบางวันมีอารมณ์ไม่ดีก็ไปผับนะนั่มันจะไป แยกแยะมันก็จะยากเราต้องดูภาพรวมดีกว่าว่าส่วนใหญ่แล้วเขาดีหรือไม่ดีเช่นดูว่าเขามีศีลหรือไม่มีสัตว์หรือไม่ถ้าเขามีศีลมีสัตว์นี่เราถือว่าเขาเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีหรือเปล่ามีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนดี ที่นี้การจะดูว่าคนดีแล้อไม่ดีนี่มันดูแป๊บเดียวมันดูไม่ออกหรอก็ถึงมีคาพูดว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนดังนั้นการที่เราจะรู้คนว่าดีไม่ดีนี้อาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์กันรู้จักกันใหม่ๆเห็นกันใหม่ๆครั้งสองครั้งนี่เราจะไปรู้ว่าเขาดีเขาชั่วได้อย่างไรเขาเข้าผับเข้าบาร์เขาอาจจะเข้าด้วยเหตุผลอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้ เขาอาจจะมีชาวต่างประเทศมาเยี่ยมต้องพาเขาเลี้ยงดูปูเสือแต่ธรรมดาตัวเขาก็ไม่เคยเข้า อ, อันนี้ก็แปลว่าเขาเป็นคนเร็วมันก็ไม่ได้นะงั้นอย่าไปดูว่าเพราะว่าเขาไปวัดหรือไปผับแล้วเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วคนที่ไปวัดแล้วไปหาเสียงหาเงินหาทองจากวัดก็มีเยอะแยะไปนี่นมันมันพูดไม่ได้หรอกของอย่างนี้ต้องดูพฤติกรรมไปนาน ถึงจะรู้ดูภาพรวมอย่าดูแค่ช็อตสองช็อตแล้วก็ไปสรุปว่าเขาดีหรือเขาชั่วนะคำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งหนูนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุโทโธสักพักรู้สึกเบาๆเคลิ้มๆกลัวเพนกลัวเป็นพวังจึงลุกมาเดินจงกรมสักพักกลับไปนั่งอีกก็มีอาการอีกหนูเคยลองหนูเลยลองผ่อนอาหาร แต่พอนั่งสมาธิที่ไรก็มีอาการเคลิ้มเหมือนจะง่วงอีกออกจากสมาธิมานอนแต่ก็นอนไม่หลับหนูจะแก้อย่างนี้อย่างอาการนี้อย่างไรดีคะก็อาจจะต้องอดอาหารเลยถ้าผ่อนอาหารแล้วมันยังง่วงอยู่ก็แสดงว่าเรามีอาหารสะสมในร่างกายมากก็ลองอดอาหารดูวันสองวันสามวันไปดื่มแต่น้ำดื่มแต่น้ำเปล่ารือจะเดิมน้าผลไม้บ้างอะไรก็ได้ แต่อย่าให้มันเป็นพวกอาหารแล้วดูเสว่ามันจะดีขึ้นไหมน่าจะดีหรอวะเพราะถ้าอดไปหลายๆวันนี้มันหิวแล้วมันก็จะไม่ง่วงหรือถ้าอยากจะแก้อีกวิธีหนึ่งก็ไปนั่งในที่มันน่ากลัวเช่นไปนั่งในป่าช้าหรือไปนั่งอยู่ในป่าที่มีสิงสารสัตว์เดินผ่านไปผ่านมาหรือก็ไปนั่งที่ปากเหวก็ได้ ถ้ามันนั่งอยู่ปากเหวถ้ามันง่วงเมื่อไหร่มันสับประงกเมื่อไหร่มันก็หัวทิ่มตกเหวไปถ้ามันรู้ว่ามันจะต้องเหตุตกเหวนี่มันก็จะไม่ง่วงข้อสองพอมีปัญหาเรื่องเคลิมขนาดนั่งสมาธิหนูก็ใช้วิธีเดินจงกรมให้มีสติรู้สึกตัวแล ะ, จะเจริญสติระหว่างวันแต่บางครั้งก็เครียดที่นั่งสมาธิไม่ได้นานเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่า ถ้าจเจริญสติให้มากๆในทุกอิริยาบถหรือทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันควบคุมความคิดให้ได้มากๆพอสติต่อเนื่องและมีกำลังมากพออาจจะแค่นั่งหลับตาแป๊บเดียวแล้วจิตรวมเป็นสมาธิเลยหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมคะจิตจะรวมหรือไม่รวมก็อยู่ที่กำลังของสติความต่อเนื่องของสติถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อง จิตไม่ลอยไปลอยมาตามความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิก็อยู่กับอารมณ์เดียวได้เช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคาบิกรรมพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตก็จะรวมลงได้อย่างง่ายดายถ้ายังไม่รวมก็อย่าไปอยากเพราะยิ่งอยากมันยิ่งทำให้เครียด แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเบื่อนายเกิดความท้อแท้จนถึงไม่อยากจะปฏิบัติอีกต่อไปเราต้องโทษว่าเราไม่มีสติพอเราต้องพยายามมั่นสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆก่อนเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นจนถึงเวลาที่เราหลับแต่จะเจริญได้ง่ายหรือยากอยู่ที่สถานที่ถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์อยู่กับบุคคลต่างๆ มันก็จะยากเพราะจะมีสิ่งที่จะมาคอยดึงใจให้เราไปเผลออยู่เรื่อยถ้าอยากจะได้สถานที่ที่ช่วยการสร้างสติให้ได้ง่ายก็คือต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสห่างไกลจากคนห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆการงานต่างๆถ้าอยู่อย่างนั้นแล้วการเจริญสติมันจะง่ายเพราะไม่มีอะไรจะฉุดลากไป อยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับการเฝ้าดูการกระทําของร่างกายมันก็จะเฝ้าดูอยู่กับการกระทําพอมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายเวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมได้อย่างง่ายดายดังนั้นเราต้องตีกุ้ยเว่กันถ้าเราอยากจะได้ผลจากการภาวนาจากการนั่งสมาธิคําถามจากคุณพัญญา ปกตินั่งสมาธิครั้งล้ไม่นานแค่30นาทีจะเห็นแสงม่วงเกือบทุกครั้งบางครั้งเป็นสีเขียวพยายามไม่สนใจบริกรรมพุทโธต่อไปและเคยนั่งสมาธิตั้งจิตให้ในหลวงหายประชวนแปบ๊บเดียวไม่กี่นาทีเหมือนตัวลอยรู้สึกตกใจเลยลืมตาคืออาการแบบนี้คิดมากไปเองหรือจิตรวมเร็วเพราะตั้งใจแผ่เมตตาให้ในหลวงหรือคะ และจะฝึกอย่างไรให้สมาธิก้าวหน้าไปทางบรรลุมรผลนิพานคะก็ต้องพยายามทําบ่อยๆทำอยู่มากๆทําให้รวมให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ให้เหลือแต่สักแล้วก็รู้เหลือแต่อุเบกขาอันนั้นจึงจะเป็นสมาธิที่จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าในทางปัญญาได้ต่อไป ถ้าเป็นสมาธิลอยขึ้นลอยลงเห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงสมาธิเหล่านี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนการการเจริญปัญญาการฆ่ากิเลสตัณหาต้องไปเป็นสมาธิที่สัจตะวรู้สมาธิที่มีแต่อุเบกขามีแต่ความสงบมีความว่างอันนั้นแหละจะเป็นกําลังที่จะไปช่วยสนับสนุนในการเจริญปัญญา เพื่อที่จะได้ใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาคำถามจากคุณเพ น, นภาพอหนูเริ่มจะสวดมนต์ใจก็เริ่มเป็นสมาธิตัวลอยๆโครงเเคนเหมือนนั่งเรือสวดอิติปิโสยอดพระกันไตปิโด3จบคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า9จบพระคาถาชินบัญชรและคาถาอื่นๆอีกหลายบทเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ ทั้งกลางคืนและกลางและเช้ามืดตั้งใจไปนิพพานแน่แน่ทุกๆวันนี้บวชใจค่ะถ้าได้กลับไปเมืองไทยก็จะโกนหัวบวชชีหนูนั่งสมาธิได้ครั้งละสองชั่วโมงขึ้นถึงสามชั่วโมงกว่าแล้วค่ะบางครั้งถ้ามีเวลาพอทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถ้าเรามีความชำนาญที่จะเข้าสมาธิและอยู่ในสมาธิได้นาน เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ควรจะเริ่มพิจารณาทางปัญญาพิจารณาตายลักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เรารักที่เราชอบที่เรายึดติดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งก็จะต้องพัดพากจากเราไปแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องแกเ่เจ็บตายไปให้พิจารณาอานิจจังของทุกสิ่งทุกอย่าง พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสังวันหนึ่งเราก็จะไม่มีอะไรติดตัวเราไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วให้พิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่หวงไม่หวงเพื่อเราปล่อยวางไม่ไปอาศัยไม่ไปยึดมันเป็นที่พึ่งเพื่อที่เราจะได้เข้ามาหาที่พึ่ง ท, ที่แท้จริงก็คือความสงบที่พึ่งที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิและปัญญา เพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่เราจะได้ไปถึงพระนิพพานจะไปถึงได้ต้องไปด้วยปัญญาสมาธินี่เป็นเพียงเป็นผู้สนับสนุนกำลังให้แก่ปัญญาถ้าใช้ปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้จึงต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อน เมื่อสร้างสมาธิได้แล้วขั้นต่อไปก็เวลาออกจากสมาธิก็ควรที่จะพิจารณาทางปัญญาพยายามมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้เป็นตายรักให้หมดเห็นคนไหนก็บอกเขาเป็นตายลับเดี๋ยวก็กตายเห็นเขาเป็นอนัตตาเขาไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเขาร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เขาตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่ในใจที่เรามองไม่เห็น เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้เขาก็ไปหาร่างกายใหม่เหมือนกับร่างกายของเราเวลาที่ร่างกายของเราตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเราก็ไปไปต่อต่ไปไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปอยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเรามีความสามารถไปถึงนิพพานได้เวลาตายเราก็ไปนิพพานกัน อันนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ไปรักไม่ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือเราอยากจะมีถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราก็จะไม่อยากจะมีไม่อยากจะได้เราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้คาําถามทางบ้านหมดแล้วทางนี้มีใครถามบ้างไหยมีครับอาจารย์แต่ว่าเพราะคําถาม เซฟไปหมดแล้วครับแต่ว่าถ่ทอหุดอยู่ครับก็ไม่เป็นไรอตอนนี้หลุดอยู่แล้วก็ร อ, อต่อดอูมีคำถามที่นี่ก่อนเปไหน่อยกันการนมัสการพระอาจารย์คะ่ะบังเอิญว่าเพื่อนฝากถามกับพระอาจารย์ว่าสามีเขานะขนา่ขณะที่นั่งสมาธิพอจิตสงบได้สักพักเขาจะสั่นเหมือนอาการของคนทรงเจ้าคะ่ะแต่คือเจ้าตัวเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ เขาอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเขาต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากมากพอสติหมดก็ปล่อยให้จิตเป็นเกียร์ออโต้ไปมันก็เลยสั่นถ้ามีสติเราก็จะควบคุมความความสั่นนั้นได้ก็หมายถึงว่าขนาดที่ทําสมาธิจิตสงบแล้วสั่นก็แสดงว่าสติหายไปแล้วถ้ามันสั่นถ้ามันไม่สั่นก็แสดงว่ายังมีสติอยู่เจ้าค่ะเหมือนหลับไม่หลับก็สั่นมันก็เหมือนกันคือไม่มีสติแล้ว ไม่มีสติที่จะควบคุมใจใจมันก็เลยแสดงอาการต่างๆขึ้นมาเพราะสติมีน้อยคำว่าสตินี่ก็คือให้เขาอยู่กับคำบริกรรมหรื อ, อว่าอย่างไงอยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าหยุดจนกว่ามันจะสงบสงบแล้วก็หยุดได้แล้วมันจะไม่สันถ้าสงบแล้วสันก็แสดงว่าไม่ใช่สงบ สาธุเจ้าค่ะอ่าไงต่อได้ได้ยังต่อได้นะครับรอาจารย์ถามได้เลยครับอ่าเดี๋ยวมีทางนี้ถามต่อนะถามไปก่อนใช่ ค, ค่ะพระอาจารย์คะคือตอนนี้คะ่ะที่นั่งอะคะ่ะเวลาที่มันเกิดเวทนาเยอะๆะคะ่ะแล้วอยู่คือตอนนี้ที่ทําอยู่นะคะก็คือจะพยายามจะไม่ไม่ลุกหรือขยับจะดูจนกว่า ใจใจเนี้ยมันจะนิ่มันจะสงบโดยที่ไม่กระวนกระวายกับเวทนานั้ะค่ะแล้วถึงค่อยถ้ารู้สึกว่าทนไม่ได้จริงๆก็คือจะเริ่มยืดตัวแต่ไม่ออกจากขัดสมาธินะคะก็พยายามจะยืดตัวให้ให้ให้มันคลายออกอะค่ะแล้วถึงจะนั่งต่อะค่ะเพราะว่าตั้งสมมติว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะฟังเทศหลวงตา2องการก็จะพยายามนั่งให้ได้ถึงสองการถึงแม้จะเวทนาจะเกิดอะค่ะ ถ้าทำอย่างนี้ถือว่ามาถูกทางหรือเปล่าเจ้าค่ะคือการยืดตัวนี้มันก็เป็นการปรับเวทนาให้มันคลายลงไปซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่เราต้องการการทำเราต้องการคลายเวทนาหรือคลายความทุกข์ใจด้วยการใช้สติทำใจให้สงบเช่นถ้าใจสงบจันใจมันก็จะไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับความเจ็บของร่างกาย มันจะไม่ต้องขยับตัวแต่ถ้าเราขยับตัวก็แสดงว่าใจเรายัางมีตันหาความอยากอยากให้ความเจ็บนี้มันหายไปเราถึงขยับตัวขึ้นมาเพื่อให้มันคลายซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องวิธีแก้ที่ถูกต้องต้องแก้ที่ใจหรือต้องทำให้ใจปล่อยวางเวทนานั้นให้ได้มันจะเจ็บอย่างไรก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอย่าใช้วิธีแก้ด้วยการไปขยับร่างกาย เราต้องมาขยับที่ความอยากขยับที่ใจทำใจให้สงบด้วยสมาด้วยสติก็ได้ด้วยใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางเวทนาว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราจะยอมอยู่กับมันเพียงแต่เราไม่ชอบมันเราไม่อยากเราก็เลยอยากจะหนีอยากจะให้มันหาย พอเกิดความอยากมันก็เลยสร้างความทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งความเจ็บของร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความทรมานใจที่เกิดความอยากที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่เป็นความอยากของใจที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปเราต้องเปลี่ยนทัศนคติหมายว่าอย่านี้อย่าไปรังเกียจความเจ็บนี้มันเราอยู่กับมันได้ มันไม่ร้ายกาศตัวที่ร้ายกาศก็คือความอยากที่ทําให้เราเกิดความทรมานใจขึ้นมาเราสอนแล้วมันยังดือ้อมันยังอยากอ ย, กอยู่เราก็ต้องใช้คําบริกรรม อ, อัดเข้าไปอัดคําบริกรรมที่ยับตอนนี้ตอนฟังเทศตอนนั้นก็หยุดฟังแล้วถ้าอยากจะสู้กับเวทนาต่อไปเพราะว่าการฟังเทศนี่มันจะไม่มีกําลังพอเราต้องใช้คําบริกรรมอย่างเดียวบริกรรมให้มันถี่ยิบไปเรื่อยๆให้มันขาดใจตายไปกับคําบริกรรม แล้วมันจะหยุดความอยากได้เราต้องหยุดความอยากให้ได้คือถ้าอย่างนี้ก็คือเราต้องปิดการเทศก่อนใช่ไหจถ้าเราต้องการที่จ ะ, ะปฏิบัติกับทุกขเวทนาอันนี้เราก็ต้องถ้าการฟังเทศแล้วมันไม่ช่วยนอกจากว่าเราสามารถจดจ่ออยู่กับการฟังเทศได้โดยที่ไม่รู้สึกลำคาคกับความเจ็บเราก็ฟังเทศต่อไป แต่ถ้ามันฟังไม่ได้มันลำคานจะกระทั่งฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องหยุดฟังแล้วก็ใช้คำบริกรรมไปไม่มันจะไม่มีระยะเวลาที่กำหนดได้ใช่ไหมคะไม่มีแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันก็จะรู้เองว่าใจไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บแล้วหรือบางทีความเจ็บก็หายไปดื้อๆอย่างนั้นอยู่ๆดีๆก็หายไป มันมีมันมันมีช่วงจังหวะที่หายไปอะเจ้าคะแล้วก็มันจะกลับแล้วไอ้ช่วงที่กลับมารอบรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยค่ะก็เริ่มรู้สึกกระวนกระาก็ไม่เป็นไรก็คิดว่ามันก็เป็นอนิจจังมันมาได้เนี่ยมันก็ไปได้เมื่อเราผ่านรอบที่หนึ่งได้รอบที่สองเราก็ผ่านมันได้ถ้าเราจะสู้มันต่อส่วนใหญ่จะไม่อยากสู้อยากผ่อนใจจะเลิกจะยอมพอถึงเวลาจะถึงจุดที่แบบ เราจะสู้ได้บางทีเราสู้ครั้งที่สองได้พอถึงครั้งที่สามที่จะเก้าชั่วโมงที่สามไปเราก็เริ่มถอยแล้วค่ะเหมือนอหมดแรงหม ด, หมดแรง<ๆ>ก็ไม่เป็นไรพยายามทำไปเรื่อยๆดรอรถไฟหน้ากําลังยกหน้าข่าวต่อไปอย่เดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไปเรื<ๆ>่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองพอใกล้จะเจอใกล้จะถึงเวลาที่จะจริงจังและจิตมันกําลังจะได้ที่แล้วก็ ก้าวก้าวถอยหลังกลับมาเฉยๆเลยอะค่ะก็รู้สึกว่าเออเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วเมื่อไหร่จะได้ก้าวไปข้างหน้าสักทีหนึ่งค่ะเขาต้องอย่าไปให้มันถอยสู้ไม่ถอย <c oughs> ให้มันขาดใจไปให้มันตายกับคําบริกรรมไปพอมันจะถอยก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับคําถอยการถอยพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะพุทโธไม่ไหวให้มันขาดใจตายไ ป, ไปนะ ถ้าขาดใจตายไป็นกิเลสมันก็ตายก่อนใจก็จะสงบมันต้องถึงขั้นยอมตายเนะี่ยมันถึงจะแพ้ยอมแพ้กิเลสถ้าเรายังไม่ยอมตายมันก็ยังไม่ยอมแพ้คุณต่อมีคำถามครับต่อไปเป็นคำถามจากผู้รับชมการถ่ายทอดสดธรรมะบนเขาประจำวันอาทิตยที่22พฤษภาคม2 5 5 9นะครับคำถามแรกนะครับ แต่คุณจุ๋มนะครับถ้านั่งแล้วจิตรวมต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่คกอดเตดดวมมันก็จะอยู่อย่างสบายมันจะไม่อยากจะลุกมันก็นั่งไปจนกว่ามันทอนหนกจากการรวมแล้วก็ถึงถึงจะลุกถ้าอยากจะลุกก็ลุกได้ถ้าอยากจะให้มันรวมต่อก็ทำใหม่ต่อคำถามข้อต่อไปจากคุณคุณคกรกหนกทองนะครับ นั่งสมาธิบางครั้งมีอาการโลบหมุนหรือโครงเพลงไปมาแก้อย่างไรดีคะอย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราอยู่กับลมอยู่กับพุทธโธก็อยู่ไปอย่าไปสนใจกับการโครงเพลงมันเป็นมายาของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาขัดขวางการภาวนาของเราคำถามข้อต่อไปจากคุณชอบเพชรนั่งสมาธิได้ไม่นาน ห้านาทีก็แพ้ใจตัวเองทำอย่างไรให้จิตเรามั่นคงไม่หวันไหวต้องพยายามฝึกสติให้มากพยายามฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่ากำลังจะทำอะไรอาบน้ำนั่งหน้านั่งตาแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พยายามบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยใจให้คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าจะหยุดบริกรรมก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องเรื่องที่จําเป็นจริงๆก็หยุดบริกรรมแล้วก็คิดให้พอพอคิดพอแล้วพอหยุดคิดแล้วเราก็กลับมาบริกรรมต่ออย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆมันจะทําให้ใจไม่มีกําลังที่จะต้องที่จะอยู่เฉยๆได้มันจะต้องไปทํานู่นทํานีคนน่คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พอจะนั่งมันก็เลยหงดเหย็ดเหมืนไม่มี กำลังที่จะนั่งอย่างสงบและมีความสุขได้เน้นต้องบันพยายามเจริญสติให้มากๆก่อนพูดที่จะมานั่งสมาธิต่อไปก็จะนั่งได้นานขึ้นนานขึ้นหรือขณะเวลานั่งถ้าดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้นั่งหลับตานั่งในท่าขัดสมาธินี่แหละแต่สวดมนต์ไปภายในใจแทนที่จะดูลมหรือแทนที่จะพุทโธก็สวดอ e ิติปิโสไปเรื่อยๆสักห้าสิบจบร้อยจบดู แล้วมันใจมันก็จะเริ่มนิ่งจะเริ่มสงบขึ้นพอมันเริ่มสงบแล้วก็หยุดสวดแล้วก็มาดูลมหายใจต่อเรื่องพุทโธพุทโธหรือถ้ามันไม่คิดไม่ปรุงก็นั่งเฉยๆต่อไปได้เลยแต่ต้องมีสติให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองคำถามข้อต่อไปจากคุณจรเชษฐ์ผมเคยนั่งสมาธิตอนบวชเป็นพระ ลมหายใจละเอียดเหมือนไม่มีลมหายใจเสียงก็หายนานมากประมาณชั่วโมงได้ผมตกใจกลัวตายสมาธิเลยถอนจากนั้นก็นั่งไม่ได้ครับผมต้องแก้ไขอย่างไรก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ตายหรอกเวลานั่งสมาธิแล้วดูว่าพอลมหายไปนี่มันเป็นเพราะว่าลมมันละเอียดจนที่เราไม่สามารถที่จะไปจับมันได้ ก็ให้นั่งอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีลมไปให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจแต่อย่าไปวิตกอย่าไปตื่นเต้นตกใจเพราะมันจะทำให้เรากลัวแล้วเราจะถอนออกมาให้เรานั่งต่อไปเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะวูบเข้าสู่ความสงบเองคำถามข้อต่อไปจากคุณวราพรขอถามพระอาจารย์วิธีวิปัสสน พาณดูจิตและดูกายมีวิธีปฏิบัติเช่นไรก็คือพิจารณาธรรมชาติของร่างกายก่อนจิตว่าไว้ทีหลังเพราะว่าจิตนี่มันเป็นทำขั้นสูงเอาทำขั้นตามก่อนคือร่างกายพิจารณาให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดให้พิจารณาอย่างนี้ ให้พิจารณาว่าร่างกายของเรานี่มันมาจากธาตุสี่ดินน้ำํำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุาาน้ําธาตุลมธาตุไฟเนี่ลมหายใจที่เราหายใจเข้าบางก็เป็นธาตุลมน้ําที่เราดื่มนี่ก็เป็นธาตุน้ําอาหารมันก็เป็นธาตุดินส่วนใหญ่พอมันเข้ามาในท้องมันก็มาผสมกันแล้วมันก็มาแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน พอมเรายาวได้ก็เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปลมที่เราหายใจเข้ามาร่างกายจเจริญเติบโตได้ก็เพราะอาหารอย่างนั้นร่างกายนี่มันจึงเป็นผลที่เกิดจากการเอาอาหารอาหารก็คือดินน้ําลมใสนี่เองไม่มีอะไรตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวเราอยู่ที่ใจตัวอยู่ที่ตัวคิดตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ร่างกายนี่ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องปล่อยวางมันถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์ที่ปฏิบัติที่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความหลงไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราและมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริง เราอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะไม่ทุกข์นี่คือการเจริญปัญญาเพื่อที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายตอนต้นนี้เอาเรื่องร่างกายปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนเมื่อปล่อยร่างกายได้เราถึงจะเข้าถึงตัวจิตอีกทีหนึงตอนนี้เรายังเข้าไม่ถึงตัวจิตพิจารณาเรื่องจิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาวิตกกังวลห่วงใยหวาดกลัวก็เรื่องของร่างกายทั้งนั้น เราต้องกำจัดเรื่องของร่างกายให้มันหมดไปก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปสู่ในเรื่องของจิตอีกต่อหนึ่ง ต, ตอนนี้ให้พิจารณาเรื่องของร่างกายไปเรื่อยๆก่อนพิจารณาร่างกายของคนอื่นว่าเป็นสุภาษะเพื่อเราจะได้ไม่ไปเกิดความรักความไข้เพราะเราไปรักคร่เขาเดียวเราต้องไปทุกข์กับเขาเวลาลักเขาแล้วเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจเวลาได้เขามาก็จะหวงจะห่วง เวลาเขาจากเราไปก็จะร้องห่มร้องไห้สู้ไม่มีดีกว่าจะไม่มีก็ต้องเห็นว่าร่างกายเขาหน้าเกลียดหน้ากลัวเป็นผีอย่างนี้ดูเวลาเขาตายแล้วเป็นยังไงน่ารักหรือไม่ไปดูศพ บ, บ้างจะได้นึกถึงภาพของคนที่เรารักเราชอบว่าต่อไปมันก็จะต้องเป็นซากศพนี่คือการเจริญปัญญาเกี่ยวกับทางร่างกายทําเรื่องของร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปปล่อยวางเรื่องของจิตอีกทีหนึ่ พระอาจารย์ครับคุณมาชื่นถามต่อมาว่าพิจารณาที่ท่านว่าคือการคิดใช่ไหมครับก็คิดนั่นแหละเพียงแต่ ว, ว่าคิดไปตามความเป็นจริงไม่ได้คิดไปตามความหลงทุกวันนี้เราคิดไปตามความหลงกันคิดว่าร่างกายนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาไม่มีคิดว่าไม่มีใครคิดว่าร่างกายที่จะตายกันนยะคิดว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ย พอคิดถึงความตายขึ้นมาก็ตกใจกันเอ้ยเราจะตายเหรอมันต้องตายด้วยกันทุกคนแต่มันไม่คิดกันมันคิดว่ามันจะไม่ตายกันคิดว่ามันจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าจะควบคุมร่างกายบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เอมันไม่สวยเราก็ไปทําให้มันสวยได้เอไปดึงหนังให้มันตึงไปดึงจระดูกให้มันโดไปเจาะตาให้มันลึกทําได้แต่สักวันหนึ่งมันจะทําไม่ได้ เวลามันเจ็ดสิแบแปดสิบขึ้นไปนี่ทํายังไงหมอเขาก็ไม่ทำํำนะหมอเขาว่เข้าลงเยอบาเป็นความคิดทั้งนั้นแหะแต่เราคิดไปตามความจริงอย่าไปคิดตามความหลงคิดว่าร่างกายนี้ต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงคนรับใช้เราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันปล่อยให้มันตายไปเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมให้มันตายทัางนั้นเอง้วเป็นความคิดแต่คิดไปในทางความจริงคิดบ่อยๆคิดไม่ให้ลืมคิดเพื่อต่อเพื่อเพื่อมาเปลี่ยนความคิดเก่าความคิดเก่ามันคิดผิดเราต้องมาคิดให้มันถูกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดเก่าเราต้องเปลี่ยนมาเป็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นความคิดที่ถูกตามความเป็นจริง หมายความว่าถ้าคิดไปเรื่อยๆเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปัญญาเองใช่ไหมครับอาจารย์อ่ามันจะเป็นปัญญามันจะปล่อยวางได้มันจะไม่มีกิเลสตัณหามาหลอกเรามาดึงให้เราไปรักไปชังได้เราจะปล่อยมันอืเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราจะร่างกายของคนอื่นนี่เราไม่ไปยุ่งเลยใช่ไหมร่างกายคนอื่นจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมเพราะเราเห็นว่าไม่ใช่ของเราเนแต่พอร่างกายอันนี้เรามาว่าเป็นของเรา พอเป็นของเราเราก็อยากขึ้นมาอยากให้มันดีอยากให้มันอยู่ไปนานๆแต่มันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นแะมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเน้นเราต้องมองร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นแล้วเราต่อไปจะไม่ทุกข์กับมันคําถามข้อต่อไปจากคุณตะวันโซเชียลนะครับหลวงพ่อคะหนูชอบปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจทิ้งการปฏิบัติไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่จะทําให้หนูออกจากทุกข์ได้ใช่ไหมคะ ใช่ก็อย่างที่เทศวันนี้แล้วว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือที่จะดึงจิตดึงใจให้ออกจากกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดได้คําถามข้อต่อไปจากคุณปรบพัดนะครับผมกรอบมาไม่หมดนะครับแต่ว่าใจความนะครับมีบางอย่างที่เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยจิตในบางครั้งพลังงานเหล่านี้ ต้องการให้ทากิดธุระบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทากุศลบางครั้งผมก็ทำเป็นไม่สนใจเ อ, อ, อย่าไปสนใจกิจอะไรต่างๆทั้งสิ้นให้สนใจกิจอย่างเดียวก็คือกิจที่จะทำใจของเราให้สงบกิจที่จะทำให้เราฆ่ากิเลสตัณหาได้ให้สนใจกิจนี้เท่านั้นก็พอกิจอื่นไม่สาคัญ ทำไปเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราไม่หลุดพ้นยังทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขอให้เรามาสนใจจิตที่จะทําให้เราฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจของเราให้ได้เท่านั้นก็พอคําถามข้อต่อไปจากคุณใจดีนะครับหลังจากจิตรวมแต่เพื่อไม่ให้สบายควรทําอย่างไรต่อครับเวลาจิตรวมมันสบายอย่าไปทํำไงต่อนั่งก็เพื่อให้มันสบายเพื่อให้มันมีความสุข มันจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางต า, งตาหูจมูกเลี้ยกายถ้านั่งแล้วไม่อยากให้มันสบาย <g ül> ก็อย่าไปนั่งเลยมันเสียเวลาแสดงว่ามีวิชาทิฏฐิมีความไม่เข้าใจที่ถูถกต้องนั่งก็เพื่อให้มันสงบให้มันสบายมันมีความสุขมันจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางอื่นที่ต้องไปหาความสุขทางอื่นกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจมันไม่สงบมันไม่สบายแต่ความสุขทางอื่นนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้น เพราะมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันลินได้มันเหมือนปลาไหลจับแล้เดี๋ยวมันก็หลุดมือไปได้เงินมาปั๊บเดี๋ยวก็หมดได้แฟนมาปั๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนแฟนก็ทิ้งแล้วเออมันก็แทนที่จะเป็นความสุขตลอดมันไม่สุขตลอดมันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วความทุกข์ก็กลับมาแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันซื่อสัตย์กับเรามันอยู่กับเราเราต้องการเรียกมันมารับใช้เมื่อไหลยมันจะมาทันที ถ้าเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบแล้วอขอให้นั่งแล้วสงบแล้วสบายเถิดเพราะนี่คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิหอือเขาจะหมายความว่าสบายจนเกินไปจนอาจจะหลับได้ไหมครับอาจารย์ถ้ามันสงบจริงๆมันไม่หลับหรอกมันจะมีสติตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้มันจะตื่นมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลา เราจะมีความประทับใจต่อความสุขนอกจากว่าติดความสุขแบบนี้อาจจะเป็นโทษได้คือเป็นโทษตรงที่ว่ามันทําให้เราติดอยู่กับความสุขชั่วคราวเพราะความสุขที่ได้จากสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรเมื่อเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปสร้างปัญญาเพื่อจะได้สร้างความสุขที่ถาวร อ, อ, อีกขั้นหนึ่ ง, งหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วถ้าเราชํานาญกับการเข้าออกสมาธิแล้ว สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการต่อไปเราออกมาจากสมาธิเราก็ต้องเจริญปัญญาคิดในทางไปแล้วอนนี้จังทุกขังอนัตตาคิดไปเรื่อยๆเน้วใจมันก็จะตัดความอยากตัดความโลภต่างๆไปพอไม่มีความโลภความอยากใจมันก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเหตุที่ทําให้ใจเราไม่สงบนี้ก็เพราะว่ามันมีความโลภมีความอยากต่างๆนี่เอง ในเวลาเราเข้าไปในสมาธิเราก็หยุดความโลภความอยากไว้ชั่วคราวมันก็เลยมีความสุขมีความสงบแต่พอออกมาปั๊บความโลภความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความโลภความอยากมันไม่ได้ตายด้วยอํานาจของสมาธิแต่มันจะตายด้วยอํานาจของปัญญาอํานาจของไตรลักษณ์อนาจอําอนาจของอสุภะดัง น, นั้นถ้าอยากจะทําให้ใจสงบอย่างถาวรออกจากสมาธิมาเราก็ต้องหมั่นเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณ า, ร า, ราอาสุภะอยู่เรื่อย แล้วต่อไปเราจะได้ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเรียกวความสุขของพันธุน์พันค์คำถามข้อต่อไปกับคุณพอลลี่แจนนะครับจะจะปฏิบัติและวางใจยอย่างไรเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและระงับความโกรธได้เจ้าคะกั้นตอนก็ต้องเชรินสติก่อนให้รู้ว่าเรากำลังโกรธพอเราโกรธปั๊บ ถึงแม้เราไม่มีปัญญาเราก็ใช้คําบริกรรมใช้สติหยุดมันได้เป็นชั่วคราวไปก่อนพอรู้ว่าเราโกรธปั๊บความโกรธมันก็จะหายไปแต่ที่มันโกรธอย่างต่อเ น, นื่องก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราโกรธดัะนั้นถ้าเรามีสตินี่พอโกรธปั๊บเราก็จะหยุดมันได้แต่มันไม่หยุดได้อย่างทาวอเดี๋ยวพอเราเผลอมันก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะหยุดความโกรธอย่างท้าวอเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธ ต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธเสียใจอยากให้เขาทําอย่างนั้นให้นี้ให้กับเราพอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธอยากจะขอเงินเขาเขาให้เงินเราเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากได้เงินเขาเราไม่มีวันที่จะโกรธเขาหรอกนั้นถ้าเราอยากจะไม่มีความโกรธเราต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากให้ได้อย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่โกรธ การที่เราจะไม่มีความอยากได้เราก็ต้องมีความสงบตลอดเวลาไม่มีตัณหาความอยากเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็ต้องกลับมาปฏิบัติตอนต้นก็ใช้สติไว้ก่อนเมื่อมีสติหยุดความโกรธได้ชั่วคราวขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความความอยากนี้แหละที่ทําให้เราโกรธแล้วความอยากนี้เกิดจากความหลง คิดว่าได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเราจะมีความสุขแต่ความจริงสิ่งที่เราได้มาเนี่เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวเดียวพอมันเสียสิ่งที่เราได้ไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาใหม่อยู่ดีงั้นอยากไปอยากได้อะไรดีกว่าอยากไปอยากได้เงินจะได้ไม่ต้องไปขอเงินจากใครอยากอย่าไปอยากได้ความสุขจากการนุ่มหนับนอนกับใครก็จะได้ไม่ต้องไปขอนอนกับใครนอนคนเดียวสบายกว่าเพราะจะไม่มีความทุกข์ตามมา อาจารย์ครับในช่วงต้นของการแสดงธรรมวันนี้ที่พระอาจารย์แสดงธรรมไว้ว่าชาติที่แล้วหากเราเคยเที่ยวเราเคยกินเหล้าเราเคยทําอะไรมาชาติเนี้ยเราก็ต้องมาทําต่อเหมือนชาติที่แล้วแล้วถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมีสิ่งไหนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ครับพระอาจารย์ก็หนึ่งเห็นโทษของมันถ้าเราเห็นว่าโทษว่าการกินเครื่อดื่มโซดาแล้วมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็จะ คือต้องเห็นโทษในสิ่งที่เราทําที่บางทีจะเห็นโทษได้บางทีต้องอาศัยคนที่เขาฉลาดกว่าเราชี้บอกเพราะเราเองลำพังมองไม่เห็นโทษของมันเราก็ต้องไปอยู่กับนักบัณฑิตเนี่ยที่พระเจ้าสอนว่าให้คบบัณฑิตอย่าไปคบคนโง่ถ้าคบกับคนโง่มันก็ไม่เห็นโทษของการดื่มชรามันก็จะชนกันดื่มแต่ถ้าไปคบกับบัณฑิตไปอยู่กับพระเนี่ยพระก็สอนว่าถือศีลห้านะอย่าไปอย่าไปดื่มชรายาเมา ถ้าเข้าวัดเข้าว่าต่อไปก็จะเห็นโทษของอบายมุขเห็นโทษแล้วก็จะหยุดการเสพอบายมุขต่างๆได้แต่ต้องฝืนต้องบังคับใจมันจะไม่ทํามันไม่ยอมอย่างง่ายๆใหม่ๆเวลาอยากจะดื่นสุรานี้ต้องพยายามไม่ไม่ไม่อย่างเดียวอย่าไปแตะอย่าไปยื่นมือหยิบแก้วขึ้นมาเลยเลยไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสุราดื่มแล้วต่อไปมันก็จะหยุดได้ครับ ตัวสำคัญก็คือต้องเห็นโทษของการกระทําที่ไม่ดีของเราว่ามันเป็นโทษกับจิตใจของเราทําให้เราจิตใจเราทุกข์และอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายของเราด้วยเช่นดื่มสุรามากๆ ก, ก็จะทําให้อายุสั้นมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนได้ถ้าเราเห็นโทษเราก็จะเลิกได้การเห็นโทษของสุราการเห็นโทษของการเที่ยวหรือสิ่งไม่ดีต่างๆนี่เรียกว่าปัญญา ไ, ไหมครับอาจารย์ใช่เป็นปัญญา เห็นคุณเห็นโทษเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาหมดแล้วฟัญหาหมดพอดีมีใครอยากจะถามยังัหมถ้าไม่มีจะปิดประชุมน ะ, อะขอให้นำในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ